ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงคาหนึ่งถึงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระสาวกในครั้งพุทธการหรือสั่งสอนภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นทรงเน้นหนักลงในงานที่จะ หรือถอนสิ่งที่รกกรุงลังฝังอยู่ภายในจิตใจมาทำให้สัตว์ตั้งหลายรับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดมาด้วยความเกิดากจิด ต, ตายอันเป็นผลของสิ่งที่รกกรุงลังนั้นคือกิเลสประเภทต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนวิธีการ งานที่จะอถอนสิ่งเหล่านี้แก่ภิกษุทั้งหลายในครั้งนั้นไม่มีงานใดพระโอวาทใดที่พระองค์จะทรงหนักแน่นหรือเน้นหนักลงยิ่งกว่าการสั่งสอนพระสงฆ์เพื่อให้เห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจของตนของตนซึ่งมุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อ ความพ้นจากทุกข์อยู่แล้วให้เห็นอย่างเต็มใจนี่เป็นหลักใหญ่ของพระโอวาทคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงมุ่งหวังอย่างยิ่งแกบ่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุบริษัทซึ่งพร้อมแล้วที่จะออกแนวรบเพื่อชัยชนะ ในสิ่งที่เป็นค่าศึกษารู้ต่อตอนเองในแก่กิเลสประเภทต่างๆนีเป็นการเป็นงานอันสำคัญมากแม่พระองค์เองก็ทรงถือเป็นภา ร, ร, ระอันใหญ่หลวงมากทีเดียวไม่ปรากฏว่านับแต่ขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จออกทรงผนว ว่าได้ทรงทำกิจการงานใดๆนอกเนื้อไปจากงานปราบปรามสิ่งที่เป็นฆาตศึกอยู่ภายในพระไทยเท่านั้นการหวังความจัดจะรู้ก็คือหวังความพ้นทุก์การหวังความพ้นทุก์ก็ต้องฝ่าฟันสิ่งที่เป็นฆาตศึกสัตว์รูอยู่ภายในพระองค์ ขาดไปโดยลำดับลำดับเป็นสายทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์ด้วยการปริดเติปฏิบัติแต่เพราะพระองค์ทรงเป็นสยามผู้จะพึงรู้เองเห็นเองยิ่งไม่มีครูเมียอาจารย์ใดทรงที่แนะนำหรือถวายพระอาวาดแกพระองค์ทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองรู้สึกว่าลำบากมาก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 นับแต่วันทรงประหนดจนกระทั่งถึงวันตรัสสรูมีแต่งานนี้รนล้วนสำหรับพระพุธทธเจ้าของเราที่ทรงดำเนินมาจนได้ตรัสสรูเป็นจักรเจ้าเอกของโลกขึ้นมาก็เพราะงานนี้สำเร็จกิเลสขาดสั้นไปจากพระไทยไม่มีเหลือหล่ออยู่แม่นิดเดียวการที่กิเลสแต่ละประเภทจะขาดหรือดุดลอยไปนั้นล้วนแล้วต้งแต่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 มีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นเครื่องระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นฆาสึกเพิ่มขึ้นอีกภายในจิตใจเพราะยามลำพังก็มีอยู่แล้วบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายเหล่านี้เต็มหัวใจจึงไม่ประสงค์ที่จะให สั่งสมสิ่งเหล่านี้ให้มากมูลขึ้นไปยิ่งกว่าการถอดถอนให้หมดไปโดยลำดับเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงควรถือเป็นกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งในงานเพื่อถอดถอนกิเลสของตนท่านพูดเป็นส่วนใหญ่ไว้ว่าความโลภความโกรธความหลงหรือราคะตัณหา เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นประเภทใหญ่ของค่าศึกเรียกว่าเป็นจอมทัพด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่มีจอมทรรมเข้าสู่จอมทัพคือกิเลสประเภทต่างๆแล้วก็ไม่หวังชัยชนะได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่ากองทัพก็คือค่าศึกกองใหญ่หลวงมากายกองทมก็คือ การประกอบความเพียรด้วยอุบายวิธีต่างๆมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำรรกับรักษาจิตใจตนอยู่โดยสม่ำเสมอมีท่าทางแห่งการต่อสู้ต้านทานกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่หยุดหย่อนไม่ว่าจะิยาบทใดท่าใดให้เป็นผู้มีสติเสตังหมุนอยู่กับงานของตนที่ต่อสู้กับฆ่าศุกนี้เท่านั้น ไม่เห็นงานใดที่จะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานถอดถอนกิเลสอาสวะเพื่อรุดพ้นไปถึงความวิเศษดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นมาแล้วและประธานโอ ว, วาทไว้เพื่อเป็นให้บรรดาจัดทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยนี่เป็นหลักสําคัญของพระ เ, ร, เราเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปฏิบัตินี่เป็นของสําคัญมาก ให้พึงคำหนึงถึงงานของตนอย่าให้หยืดเยื้อไปนานเรื่องการเกิดแจเกเจิดตายนั้นไม่เป็นไปจากอันใดเป็นสาเหตุนอกจากกิเลสสามสี่ประเภทซึ่งเป็นจอมทัพนี้เท่านั้นจอมทับจอมศัตรูก็คือกิเลสประเภทนี้ยามยีตีแหลกจิตใจใ ห, หากเป็นของไม่ทนทานก็ละเอียดเป็นผุยผง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 เราไม่ควรสงสัยเรื่องพบเรื่องชาติเพราะจิตนี้เป็นตัวปรับกันแห่งพบชาติอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของมันที่มีเชื้อพาให้เกิดอยู่ภายในตนนี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายในพบน้อยพบใหญ่มีอยู่กับจิตเป็นสักขีพยานอยู่แล้วเราจรึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการ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 งานไม่กี่ชิ้นให้พวกเราพอให้เป็นปากเป็นทางได้ยึดนั้นเป็นหลักของงานแล้วจะกระจายไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติเมื่อสติปัญญาได้ปรากฏขึ้นมาแล้วเพราะการประกอบความผัเพียงดือผิดสติสติปัญญาอยู่ด้วยความเพียรของตนโดยสม่ำเสมองานเหล่านี้ก็จะ ชัดแจ้งด้วยปัญญาสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเบื้องต้นในขณะที่บวชท่านทรงสอนว่าเกซ่าลมานาขาธันตาตะโจตะโจดันตาน้าโาลมาเกซาทำไมท่านจึงสอนอย่างนี้ทุกรูปทุกหนาเว้นเสียไม่ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าอุปชายบงใด จะชอบกรรมฐานไม่ชอบกรรมฐานก็ตามเวลาบวชกุลบุตรจาต้องสอนกรรมฐานห้านี้ให้เพื่อเป็นงานหรือเป็นศาสตราอาวุธอันหนึ่งเพื่อฟาดปันหันแหลกกับความรักความชอบความลง ล, าลงไหลหลงไหลในสิ่งที่กล่าวนี้นี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นเราจะเทียบแล้ว ก็อนหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะทำลายได้ด้วยเครื่องมือต่างๆจนกระทั่งราบเป็นหน้ากองก็ได้ไม่นานนักเลยแต่เราจะทาลายก้อนภูเขาภูเราซึ่งยึดมั่นถือมั่นสาคัญมาเป็น เวลาตั้งกับตั้งกานนี้ทำลายได้ยากมีผู้ใดบ้างที่สามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ลงได้โดยไม่ต้องยากลําบากอันใดเลยหรือไม่มีผู้ใดแนะนาตัดเตือนสั่งสอนวิธีการทำลายย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงได้นามว่าสาวกได้แก่ผู้สัดับสิทธิังจากพระพุทธเจ้า จนทราบอุบายวิธีการต่างๆแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติต่อ ต, อตนเองตามอุบายวิธีที่ท่านสอนนั้นจึงจะเข้าใจไปโดยลำดับในกิจการงานหรือหน้าที่ของตอนนั้ น, น, นผมเช่นเล็กๆแต่มันใหญ่โตอยู่กับความมืดตื้อของกิเลสครอบงำความจริงเอาไว้เสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงาม น่ารักใค่ชอบใจซึ่งเป็นสิ่งปลอมแปลงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความจริงนี่เพียงเกษารูมาเท่านี้ก็หนาแน่นขนาดไหนกำแพงเจ็ดชั้นเขายัางทำลายได้ครู่เดียวยามเดียวอันนี้มันหนายิ่งกว่านั้นอีกจึงไม่สามารถจะทำลายลงให้ถึงความจริงได้อย่างง่ายๆหน้าขาทันตาตะโจอ้าวไปถึงวรรสุดท้าย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 กิเลสพาให้บิดเบือนกิเลสพาให้เสกสรรกิเลสพาให้พลิกแพรกิเลสพาให้ต่อสู้กิเลสพาให้กำบังของจริงทั้งหลายไว้เอาแต่ของปลอมมาหลอกล่วงมาหลอกล่อหลอกลวงคนซึ่งหลงอยู่แล้วด้วยอำนาจของกิเลสให้หลงเพิ่มขึ้นไปเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆเพียงก้อนรูปปักขันเท่านี้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 ด้วยสติปัญญาก็ไม่พ้นที่จะทราบไปได้ถ้าความพอใจความเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ภายในจิตใจไม่ถูกกิเลสถุดลากให้แตกกระจงไปหมดเหรือตั้งแต่ความจองปลอมซึ่งเป็นหลักเป็นแก่นอยู่ภายในจิตใจแสดงออกมามีแต่ความรักความชอบใจความน่ากำนัดยินดีไปเสียหมด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 กิเลสเป็นผู้ฉุดลากกิจเจ้ากิจใจของเราไปทั้งที่กําลังประกอบความเพียรในท่าต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องของพ้นกิเลสเรื่องของกิเลสไปไม่ได้ที่จะฉุดจะลากออกนอกรู่นอ ก, ก, นอกทางให้ปีนเกลียวกับธรรมและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตอนเองในขณะเดียวกันจกิไม่เห็นเหตุเห็นผลอันเป็นความจริงขึ้นมาจากการพิจารณาหรือภาวนาเนั้นเลยนี่เป็นหนักสําคัญแห่งการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จงพากันพิจารณาในจุดที่กล่าวนี้ำสำทั้ซักๆกมีสติอยู่กับตัวพิจารณาอันนี้อยู่โดยสม่ำเสม อ, อยาเข้าเข้าใจว่าพิจารณาแล้วหลายครั้งหลายหนไม่เป็นของสาคัญไม่มีความหมายในสิ่งนั้นความหมายอันแท้จริงคือพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริง ตามหลักความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้นี่เป็นของสําคัญนี่งานนี้แหละเป็นงานชิ้นเอกของนักปฏิบัติเราให้ถืองานนี้เป็นสําคัญถืองานนี้เป็นชีวิตจิตใ จ, จทุกอียาบทความเคลื่อนไหวไปมาอยาได้ลืมงานของตนนี้ซึ่งเป็นงานถอดถอนค่าสึกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายใน จ, จิตใจ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 ในเนี่ยท่านจึงสอนว่าตะโจแล้วย้อนกลับทันทีเพราะหนังเป็นสิ่งจำเป็นมากห่มห่อไว้บางๆเท่านั้นก็หลงเมื่อพลิกข้างในออกมาข้างนอกแล้วก็จะทราบความกิ่ท้างมาัแล้วลึกเข้าไปเท่าไหร่ ย, ยิ่งเต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนาเป็นของปฏิกูลโสโคกไปหมดเหตุใดจึงกล้าจึงหาเอานักหนาว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจว่าเป็นเนาเป็นของเรา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 ศรัทธาความเพียรของเราให้เห็นไปโดยลำดับลาดาวิเลศจะค่อยหมดไปความทุกขัญมั่นหมายต่างๆจะค่อยหมดไปโดยลำดับถ้านำสวัสดิธรรมกับพวรเจ้าเข้าไปแยกแยะไปคลี่คลายจะไม่พ้นจากหลักความจริงนี้ไปได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านบรรลุถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ได้พิจารณาคี่คลายภูเขาภูเราน น, นาแน่น โดยสิ่งสกรปรกโสมมทั้งหลายแต่ได้ถูกเสกสรรพร้อมนาคถงกิเลสว่าเป็นของสวยของงามแล้วยึดมั่นถือมั่นนี้ท่านได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ผ่านนี้ซะก่อนจะพ้นไปไม่ได้ข้าความยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่นี่อันที่เดียวอุปาทานไม่หลงซะก่อนไม่ยึดนี่เราจะถอดถอนความหลงให้เป็นความรู้ตามหลักความจริงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยว่า เมื่อเห็นตามเป็นจริงแล้วไม่ว่าสิ่งใดย่อมหายสงสัยทั้งภายนอกภายในงานนี้เป็นงานสําคัญน่าสนใจกับงานอื่นใดผมเป็นห่วงมู่เพื่อนมากในเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆมักจะทะเล ส, ส่วนมากมักจะทะเลสาไหลออกนอกลูก่นอกทางของงานที่จําเป็นไปเที่ยวลู่เที่ยวคําในงานที่ไม่จําเป็นจนกลายเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมา แล้วก็เป็นเครื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วยังทะเลาไหลคิดไปอีกหลายแงย่หลายทางอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสอีกหามว่าสร้างบารมีบ้างหามว่าทำประโยชน์ให้โลกบ้างอันโลกนั้นนะ่ะประโยชน์ไหนที่จะดียิ่งกว่า การชำระจิตใจการอบรมจิตใจให้มีความแน่นหนามัม่นคงรู้ชอบอัดชอบทำทั้งหลายจนเป็นกลายเป็นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนำความจริงอันถูกต้องดีงามร่มเย็นเป็นจุด ข, ขี่สุดภายในจิตใจของตนนี้ไปสั่งสอนโลกอันไหนจะมีคุณค่ามีราคามีน้ำหนักมากกว่ากันกับเรื่องภายนอกที่นำไปที่ทำลงไปนั้นว่าทำประโยชน์ให้โลก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 ควรจะทำมนุษย์และพระเราทั้งหลายให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเวลานานไม่ควรจะได้มาดัดแปลงแต่งจิตใจของตนให้มีอะไรต่อไปอีกเพราะสิ่งเหล่นั้นเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นของวิเศษวิโสไปแล้วนี่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นจึงยาพากันตื่นในสิ่งที่ไม่ควรตื่น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 ธรรมพุทธังสะังขัตฉามิเขากราบไหว้ดวงพระไทยที่บริสุทธิ์บิมุตต์หลุดพ้นเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วกับพระทยัยนั้นต่างหากธรมมฉะนังขัตสะขฉ า, ามิความสว่างกระจ่างแจ้งคือพระธรรมที่เต็มอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้านั้นต่างหากสังคังสนังขัตฉามิเขากราบพระสาวกทั้งหลาย กราบที่ใจของท่านบริสุทธิ์วิมุตติุดทนอันเป็นของวิเศษไม่มีแดนสมมุตินี้อยู่ในแดนสมมุตินี้แม่น้อยจะเทียบเคียงความบริสุทธิ์วิเศษนั่นได้เลยเขากราบท่านทำของท่านดวงทำของท่านที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากเขามาได้มากราบอีกกราบปูนกราบหมิ่กราบตาย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 ปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างนั่นเป็นของวิเศษแลวเหลือฟังว่าปัจจัยปัจจัยเป็นแต่เพียงเครื่องอุดหนุนพอให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นยีวรเครื่องนุ่งห่มก็พอได้อาศัยให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถือว่าเป็นของวิเศษการมาปฏิบัติมาบวชในาศาสนามาปฏิบัติก็มาปฏิบัติเพื่อถือยีวรว่าเป็นของวิเศษ บินธบดีก็พอยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก็คือปัจจัยแต่ละอย่างเลอยาอาหารการบริโภค พ, พอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณะธรรมอันจะถึงแดนแห่งความดุจพ้นซึ่งเป็นธรรมวิเศษนั้นเท่านั้นเนสนาชนะที่อยู่ที่อาศัยนี่ยังรินี่ก็เป็นปัจจัยแต่ละอย่างเลย กิลานะเพศสัตว์ยาแก้โรคแก้ภัยก็เพียงเป็นปัจจัจยเครื่องกำจัดปัดตัโรคภัยแค่เก็บซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายพอบรรเทาหรือแก้กันไปลไปตามลำดับลำดาพอที่จะเป็นไปได้บ้างเท่านั้นไม่ถือปัจจัยทั้งสี่นี้เป็นของวิเศษวิโสเหตุใดเราเป็นนักปฏิบตัติจึงมาถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของวิเศษวิโสไปเสียหมด ถือปัจจัยเหล่านี้วิเศษพิสโสยิ่งกว่าแดนแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุเทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มันขัดกันมากน้อยเพียงไรพากันพิจารณาให้ถึงใจนี่แหะปัจจัยสีน่นี้เราเป็นมนุษย์มาจากบ้านจากเรือนแต่ศัส์เขาก็ยังมีรวงมีหลังพระมาจากมนุษย์มาจากคนกพย่อมมีที่อยู่ที่อาศัยจึงเรียกว่าปัจจัยสี่นะ พอได้อาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของวิเศษวิโสพอที่จะตั้งหน้าตั้งตาฮึกเหิมกันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมอัดลืมทำลืมการแก้กิเลสลืมงานของตนในการแก้กิเลสเพื่อความบุดพ้นเพื่อความประเสริฐไปเสียหมดนี่มันก้าวไกลหลักธรรมของพพุทธเจ้าขนาดไหนให้พากันพิจารณาด้วยดี นี่ที่เป็นห่วงหมู่เพื่อนมากจึงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่พากันดุ้งกันไปหมดเพราะจุดเหล่านี้แต่จุดสำคัญที่จะให้วิเศษวิโสภ า, ายน จ, จิตใจมีความร่มเย็นมีความสงบมีความผ่องใสมีความสง่างามภายในตนจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งแทงทะลุไปหมดบรรดาขีเรศไม่มีเหลือเพราะอานาจแห่งความเพียรคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา สิ่งเหล่านี้จะเป็นความบกพร่องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งไม่ไม่สนใจแล้วเราจะเอาแดนพ้นทุกมาจากที่ไหนนี่แหละจุดแห่งความวิเศษอยู่ที่จุดนี้งานนี้งานเพื่อความวิเศษวิโสงานปราบปรามสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอยู่ภายในจปจัยให้หมดสิ้นไปด้วยการประกอบความเพียรแล้วถึงแดนแห่งความพ้นทุกวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าพระสง์สาวกท่านคืองานเหล่านี้เป็นสำคัญ ให้ถือข้อเป็นข้อหนักแน่นประจํากิจใจอย่าไปสนใจอะไรมากนะักกับสิ่งภายนอกที่เพียงได้อาศัยอาศัยที่เรียกว่าปัจัจปัจัยเท่านั้นให้เข้าใจไม่ใช่เป็นของวิเศษของวิเศษดังที่กล่าวมานี้พาการตั้งหน้าต่งางๆเอนนาหนักก็หนักกิเลสมันเหยียบย่มทําลายเรามาหนักขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติ ถึงขนาดล้มหายตายจากกันไปอยู่ตลอดเวลาในภพชาตินั้นๆเกิดมาก็ทุกข์ลำบากลําบนแสนสหัสก่อนที่จะเกิดมาแต่ละพประชาติการทรงตัวอยู่ในภพชาตินั้นๆก็รับความทุกข์ความลาบากเพราะอํานาจของกิเลสเป็นสาเหตุทั้งนั้นการตายก็ได้รับความทุกข์ความทรมานจนถึงวาระคือสิ้นสุดกันในความสืบต่อของธาตุของขันเรียกว่าตายก็ ทุกไปโดยลําดับธรรดาแต่เชื้อที่มีอยู่ภายในใจยังมีอยู่อาตายนี้ก็ไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงสูงต่ํา่ำรุ่มรุ่มดํารอนเพราะอํานาจแห่งกุศลและอกุศลที่เคลือกแฝงกันไปเป็นมาอย่างนี้ตลอดกาลเราสงสัยอะไรเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายมันจะพิเศษวิโสอะไรไปยิ่งกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ ชร า, าก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เท่านั้นมีอะไรประจำความเกิดว่าเป็นความสุขจึงพอเป็นเหตุให้เราไม่ตื่นเต้นหรือไม่ตกใจไม่หวาดเสียวไม่กลัวพิษภัยเหล่านี้ที่บีบบังคับขยี้ขยำเรามาทุกภพทุกชาพอที่จะเกิดความหวาดเสียวพอที่จะเกิดความเฉลดหลบับแล้วประกอบความภาคเพียร ให้เน้นหนักลงไปทุกวันทุกเวลาด้วยความเห็นไทยในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นและด้วยความเห็นคุณในความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยความภาคเปลี่ยนของตนท่านนี้เราทําไมจะทําไม่ได้หนักขนาดไหนแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายในโลกมานนี้หนักขนาดไหนการเกิดเจ็บเจ็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นความสุขเลย นักเวลาประกอบความภากเพียนเท่านี้ทำไมจะเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความลำบากแล้วเราจะหาแดนพ้นทุกข์ได้ที่ตรงไหนจุดใดเป็นจุดที่เราจะเกิดความอบอุ่นมั่นใจถ้าไม่เกิดขึ้นจากความเพียนความพยายามความหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่ถอยหลังตายเอาดาบหน้านี่แหละคือลุกสิทธิาโคตรเป็นอย่างนั้นถือกิจนี้เป็นสำคัญ นี่แหละแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนี้เอาพิจารณาลงไปสติปัญญามีได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการพิจรารณาตามอุบายวิธีที่ครูบาอาจารย์ท่งสอนมาแล้วเราอย่าถอยหลังต้องเป็นนักต่อสู้เสมอยิเรศชอบที่สุดกับคนอ่อนแอคนขี้เกียจขี้ค้าน ชอบกับสัตว์ประเภทนี้เพราะได้อยู่บนหัวสัตว์ประเภทนี้ที่เห็นตา่างแต่ไม่ชอบผูฟฟ้ที่ฝาฝืนกิเลสเพราะความฝากฝืนนั้นเป็นเรื่องธรรมเป็นค่าสึกต่อกิเลสกิเลสจึงไม่ชอบสิ่งใดที่กิเลสไม่ชอบเรามักจะไม่ชอบถ้าสิ่งใดกิเลสชอบเรากลับไปชอบตามมันนี่จะเรียกว่าเราทวนกระแสกิเลสได้อย่างไร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 อยู่วันหนึ่งวันหนึ่งเสียเวลาำเวลาไ ป, ปาเปล่าๆทาไมสติปัญญาซึ่งเป็นของมีอยู่ควรจะคิดค้นขึ้นมาได้ทําไมไม่คิดไม่ค้นปล่อยให้กีดเด็ดเหยียบย่ํำทําลายนอนจมอยู่ในปลักสมควรและเหลือกับเราเป็นนักปฏิบัติว่ามากําจัดขิเด็ดกลายเป็นกีดเด็ดกําจัดเราอยู่ทุกเวลามันเข้ากันได้แล้วหรือกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านํามาคิดมาค้นมาเทียบเคียงให้เป็นที่เข้าใจ ตัสินใจลงโดยถูกต้องตามหลักธรรมกิเลสจะค่อยหมอบราบไปโดยลำดับๆไม่มีอะไรที่จะเหนือเหนือกิเลสไปได้นอกจากธรรมนี่เป็นของสำคัญพากันตั้งอกตั้งใจการพิจารณาทางด้านปัญญาไม่มีขอบเขตเป็นแต่เพียงว่าอธิบายให้ฟังเป็นกลางๆแล้วแต่อุบายของแต่ล ะ, ล, ะลายรายจะนำไปพิจารณาแยก้ตนเอง พิบหน้าพลิบหลังย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาหลายตลบทบทวนหากเกิดอุบายอัไร ห, หนึ่งขึ้นมาเวลาจะทําความสงบก็ให้จริงจังกับความสงบเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้มีความจริงจังกับด้านปัญญาจริงๆอย่าทำละหล่อแห ล, แหล่เหลวไหล ๆ, ๆใช้ไม่ได้ผิดกับทางของผู้ที่จะรือถอนตนออกจากทุกข์ในวัตฏะสงสารด้วยความเพียรความเพียรคือความมีสติเป็นสำคัญ คำว่าสตินี้วางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดภายนอกภายในสติเป็นสำคัญมากยิ่งเกี่ยวกับด้านจิตะิภาวนาด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นสมถะไม่ว่าจะเป็นนิปัสนาสติเป็นของสำคัญมากเราเห็นคุณค่าของสติเต็มหัวใจจึงได้นำมาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังอย่างไม่สะทกสถานเพราะได้เคยเป็นมาแล้วขาดสติร่วมลุกคุครานก็เคยเป็นมาแล้ว ตั้งสติอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเวลาเผลอและไม่ได้คิดว่าตนได้ตั้งสติแต่กลายเป็นสติอยู่ตลอดเวลานับแต่ขณะที่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนไม่อาจจะจับได้ว่าตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ที่ยังไม่ลัเราได้เผลอตรงไหนมัง่งไม่มีเลยอย่างนี้ก็ได้เป็นมาแล้วทาไมจึงเป็นอย่างนั้น แต่เวลาล้อมดูคุ่ครานมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเมื่อได้อาศัยการฝึกฝนอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความเข้มแข็งความในความภาคเพียรเพราะความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดเครื่องลากไปมันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนถึงขนาดว่าหาช่องว่างไม่ได้ว่าสติได้ขาดไปตรงนั้นตรงนี้นี่เราจึงได้เชื่อในหลักธรรมของพุทธหน้าที่กล่าวไว้ในครัง้งพุทธกาล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 คืออย่างไรเพียงความจำเท่านั้นต้องขาดต้องหมายไปหมดแต่หาความจริงไม่ได้เมื่อความจริงได้เข้าถึงไหนหายสงสัยไปโดยดํา ด, ดับทีนี้จนถึงขั้นว่ามหาสีมหาปัญญาหมดปัญหาเป็นยังไงมหาสีมหาปัญญาก็เป็นดังที่รู้รอยู่นี้น่ะไม่เผลอไผลไปไหนตั้งไม่ตั้งก็าตามสติปัญญาติดแนบกันอยู่ตลอดเวลา เป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวไปด้วยหลักโดยหลักธรรมชาติของตนเพราะกิเลสประเภทต่างๆเป็นเชื้อที่ใช้สติปัญญาลุกลามตามติดไปโดยลําดับดัๆจนกระทั่งถึงกิเลสประเภทต่างๆสิ้นสุดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสติปัญญานี้ยิ่งตามลงไปถึงขั้นที่ว่ากิเลสตัณหาอาสวะทุก ป, ประเภทแม้จุดอวิชชาปจิยาสังขาราได้แตกกระจายไปจากจิตใจหมดแล้วการใด การนั้นแหละคาว่ามห า, หาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปเพราะเหตุลังรคือหมดหน้าที่เพราะคำว่ามหาสติมหาปัญญานั้นก็เป็นสมมุติเช่นเดียวกับกิเลสนะกิเลสละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดเครื่องต่อคู่กันเครื่องฟาดฟันหันแหลกเป็นคู่ปรับกันพอสมมุติประเภทนั้นอันเป็นฝ่ายผูกมัดสิ้นสุดลงไป ไฟแก้ก็สิ้นสุดลงไปด้วยกันนะก็ทราบภายในตนเองนั่นท่านว่าที่เรียกว่าความจริงให้เห็นอย่างนั้นเฮ้เมื่อหายไปแล้วไปไหนมหาสติปัญหาปัญญาไม่ต้องถามหาไปทำไมหลงไปอะไรจรึงต้องถามมหาสติปัญญาประเภทนั้นสติปัญญาประเภทนั้นก็เหมือนกับเครื่องมือประเภทนั้นนั้นสำหรับทำงานชิ้นนั้นชิ้นนั้นชิ้นนั้นเมื่องานชินนนช้นนั้นชิ้นนั้นสาเร็จลงไปแล้ว ถามหาเครื่องมือประเภทนี้ไปไหนทําไมเจ้าของเป็นผู้ปล่อยเองวางเองเพราะงานนั้นสําเร็จเจ็จสิ้นลงไปแล้วรู้ชัดเจนอยู่กับเจ้าของสงสัยไปทําไมค้นหากันอะไรอีกผลของงานคืออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่ น, นั่นผลของงานที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายนี่คืออะไรก็คือวิมุตต์หลุดพ้นแล้วจะไปแก้ไขไปทําอะไรกันอีกสติปัญญานั้นมีไว้อะไรมีไว้เพื่อแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นจะมีไว้อะไร ทำไมการถึงค่าวที่เจเราจะคิดจะคจะ้นจะติณิพิจณาอันเป็นสมมติแต่ละขั้นนะตอนขึ้นมาก็ใช้กันปายตามธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปดับไปเพราะสิ่นี้เป็นสมมุติด้วยกันธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรารู้แท้รู้จริงนั้นเป็นอันหนึ่งต่างหาจากอาการทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกสมุติทนิโรธมากจึงเป็นเพียงสมมุติด้วยกันทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมาัดกับฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนเท่านั้นผู้ที่ เป็นธรรมชาติอันแท้จริงนั้นไม่ใช่สัจธรรมทั้งสีน่นี้ทุกห้กกาหนดรู้ก็รู้เป็นจิริยาอันสมุทัยแดนผิดทุกข์ขึ้นมาก็เป็นอาการอันหนึ่งการดับสมุทัยกับทุกข์มันก็ไปพร้อมกันด้วยมัคคือสติปัญญาตัฏาความเปลี่ยนเป็นต้นนิโรธความดับทุก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 เรียกว่ารู้จริงเห็นจริงเมการทำตรงจริงต้องรู้จริงเห็นจริงไม่เป็นอื่นขอให้ทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟาดพันหันแหลกลงไปยาเสียดายชีวิตอย่างไรมันก็ต้องตายก่อนตายให้เลยฟาดพันหันแหลกกับกิเลสให้ได้ชัยชนะเสียก่อนร่างมันจะไปเมื่อไหร่ก็พญามัจจุราชที่ตามสมมติว่าพญามัจจุราชอันเป็นเสนาใหญ่นั้นมันจะม า, าร่างกานี้ไปให้มันได้จะกา ก, ากเมืองไปเออ ตัวจริงสมบัติอันล้นค่าถอนตัวออกมาแล้วได้แต่กา ก, ากเมืองไปเท่านั้นความพิลัยเสียดายอะไรไม่มีพอรู้แจ้งเห็นจริงแล้วตั้งแต่ยังไม่สิ้นไม่สุดไม่ตายผูไงไง้เนืองงานนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาะดนี่ได้พูดถึงเรื่องงานอันจำเป็นของสมณะเราคือโดนจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาหาความสงบใส่จิตใจครับ ความสว่างกระจายแจ้งภายในจิตใจขอให้งานนี้สำเร็จเต็มหัวใจเถิดการทำประโยชน์ให้โลกนั้นจะไม่มีผู้ใดที่จะทำได้มากยิ่งกว่าผู้รู้แจง้งเห็นจริงเป็นความสมบูรณ์พูนผลภายในจิตใจยอย่างเต็มที่แล้วเป็นผู้ทำประโยชน์ว่าการทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการช่วยโลก การก่อนั่นสร้างนี้การไปเที่ยวแนะนำสั่งสอนคนนั้นคนนี้เป็นการช่วยโลกโดยที่เราไม่สนใจจะสร้างหัวใจของเราให้ดีวิเศษวิโสขึ้นมาโดยที่เราไม่สนใจที่จะสั่งสอนตัวของเราให้เป็นจิต ท, ทะดีจิตใจดีขึ้นมาแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ดิบให้ดีให้มีเสียวิโสได้อย่างไร น, นี่เอาตรงนี้เท่านั้นขอให้ทำใจตัให้ดีเธอ ทำจิตใจของตนให้มีหลักมีแรงให้เต็มภูมิการทำประโยชน์ให้โลกจะเห็นประจักษ์ไม่สงสัยไม่มีผู้ใดจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าผู้มีจิตก็จงแจ้งด้วยอัดด้วยทำเต็มไปโดยมรรคโดยผลเต็มไปด้วยมหาสมบัตินี่เลยมหาสมบัตินี่แหละเอาไปแจ ก, กสัตว์โลกได้รับความนุ่เย็นตลอดมาดังพระพุทธเจ้าทรงประทานให้สัตว์โลกจนมาทาั้งกระทั่งปัจจุบันนี้ ออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากดวงพระไทยที่บริสุทธิ์หมดจดของพระองค์นั้นนะนิธิมาให้ดีเอาให้จริงให้จังอย่าหลงไหลไปตามเรื่องโลกสมมตินิยมพระพุทธเจ้าไม่พาหลงชงสอนให้รู้ทุกแง่ทุกมุมกลนมายาของกิเลสตัหาอาสวะที่เรียกว่าเป็นกลนมายาของโลกภายในหัวใจของเราก็ถูกเอาให้รู้กลนมายาภายในจิตใจจึงเชื่อเป็นผู้ชนะ ฉลาดใดก็ตามถ้าไม่ฉลาดในกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่เรียกว่าคนฉลาดถ้าฉลาดตรงนี้แล้วอยู่ไหนก็ฉลาดไม่มีใครมาเสกสันก็พอตัวใครจมเชยสนเสริญติฉินนินทาก็พอตัวไม่เอื้อมไม่จับไม่รูปไม่คลำไม่ฟ้าเพราะพอตัวแล้วด้วยความฉลาดแล้มผม พอตัวแล้วด้วยความสมบูรณ์พูนผลในมรรคในผลเต็มตัวอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่างเอาจริงเอากังเราเป็นลูกศิษย์าคตไม่ใช่เป็นจะมาแสดงความอ่อนแอมาสั่งสมความอ่อนแอท้อแท้กลัวกิเลสตัณหาอสร ะ, ะไม่ถูกต้องเอาให้จริงให้จังหนักเบาก็เป็นเรื่องของเราจะต้องเป็นผู้รับเองกิเลสตัวไหนมันพาให้หนัก เวลานี้ถ้าไม่อยู่ในหัวใจนี้ทุกประเภทอยู่ในนี้หมดแก้กันตรงนี้มันจะหนักไปไหนแบกกิเลสทำไมไม่หนักนจะสนัดกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรทำไมไปถือว่าหนักทำไมไปสำคัญผิดไปนี่คือเครื่องดอกเราได้แก่กิเลสให้รู้เสียว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้เอาให้จริงให้จังถ้าเป็นนักปฏิบัติไม่ถอยหลังเราจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์ขึ้นที่ใจของเรา พิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้จริงให้จังพิจารณาข้างนอกข้างในเทียบเทียมกันนะทุกสั์ทุกส่วนรูปเป็นของสําคัญมากสำหรับจิตขั้นอยากที่ต้องพิจารณาคลีคล่คลายจนรู้แจ้งเห็นจริงในรูปแล้วส่วนเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณเครื่องมือคือสติปัญญาจะมาเองพอเหมาะพอสมกับนามธรรมเหล่านี้จนกระทั่งถึงยิเรศที่รวมตัวอยู่ภ า, ายในจิตสติปัญญาขั้นนั้นก็จะมี มาพร้อมๆกันจนกระทั่งถึงกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยนั่นแลเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์นั่นแลผลที่เราต้องการนั่นแลผลอันประเสริฐที่เรามุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นมหาสมบัติอันล้นค่าอยู่ภายจิตใจของเราแล้วปล่อยวางโดยปรการทั้งปวงไม่สงสัยในสิ่งใดบรรดาโลกสมมติอันนี้เมื่อ ได้เห็นธรรมชาติอันประเส ร, ริฐอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วนี่มีเท่านั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสนใจอย่าเข้าใจว่าสินใดดีในโลกธาตุนี้นอกจากดวงธรรมคือความพ้นทุกนี้เท่านั้นภายจิตใจของเหล่านี้เป็นของวิเศษขามักขมันลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าประเสริฐที่ตรงนี้ประเสริฐด้วยความเพียรแก้ สิ่งที่หยากโคลนทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจนี้ออกแล้วการผู้ประเสริฐขึ้นมาที่ตรงนี้ประเสริฐขึ้นมาด้วยงานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ให้ยืดเป็นหลักจิตหลักใจยืดเป็นหลักเป็นหลักตายกับที่ตรงนี้จะเห็นแดนแห่งความพ้ทุกข์ขึ้นมาในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรละเคียดเหนื่อยรเรเื่อยๆไปเหนื่อย